อาตมากเก็บตัวมานานสี่ห้าปีหลังไม่เคยได้ออกมาช่วยงานกุบาอาจารย์โมคณะวันนั้นได้ยินอาจารย์มหาวิรพันธ์พูดพอได้ข่าวว่าหลวงพ่อมหาดิเรกกุบาอาจารย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของทั้งกลุ่มพวกเราความรู้สึกหนึ่งก็คือเราจะอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ได้โยมมาเผาท่านอาจารย์ให้ฟังว่า โอ้หลวงพอ่อมาหามาอาจารย์ท่านกำลงังจะสบายห <c oughs> ลวงพอ่อมอละหน้าภาพอาจารย์สวยแล้ว <c oughs> งานน่าจะเยอะขึ้นเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> หลายๆคนที่เก็บตัวอยู่มุมนั้นมุมนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกันพอหมดครูบาอาจารย์หลวงพ่อหนึ่งรูปเท่ากับพวกเราสิบรูปรวมกัน หายเป็นหนึ่งรูปแสดงว่าพวกเราต้องออกมาต้องให้ครบสิบรูปถึงจะเท่าหลวงพ่อเลยรู้สึกเหมือนกันว่าอาจจะได้การเวลาที่เราน่าจะขยับมาช่วยรวมตัวกันสารไมหลายเรื่องต่อมุงทีหมดครูบาอาจารย์สองสามปีหลังนี้หมดไปเยอะนะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่าหลวงปู่เปลี่ยนท่านมรณภาพ คุบาจาันยุคเก่าๆในสีห้าปีหลังยิ่งสายเราประเทียนเราก็หายไปเยอะสายป่าก็เริ่มหายไปเยอะคุบาจันรุ่นใหม่ๆก็ผลิตขึ้นไม่ทันเป็นเรื่องของการเวลาเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ว่ามันทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันการเวลาที่เหลืออาตมาช่วงปีหลังไม่ได้เข้ามาโมกณนะอยู่คนเดียวค่อนข้างเยอะค่อนข้างนานเลยบางทีทําให้เรา นิ่งนอนใจเกินไปเหมือนกันนะลืมพอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทาให้เราฉุกคิดบางครั้งเราก็จะนิ่งนอนใจมรนาณุสติมันไม่ใช่เรื่องของการคิดถึงแต่ความตายจริงๆในยะแห่มมนนงมรณาณุสติมันทำให้เราคิดถึงว่าการเวลาช่วงที่เหลือตัางหาที่สำคัญเราทุกคนไปสู่ความตายอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปสู่ความตายในรูปแบบไหน แบบไหนเตรียมพร้อมขนาดไหนนั่นคือในย่าสำคัญพอได้ข่าวหลวงพ่อก็อรู้สึกเช่นี้เหมือนกันไดยินอนาะจาร์หาวิรภันธ์ท่านพูดวันนั้นรู้สึกเออคิดเหมือนกันหลายๆดูช่วงหลังๆมานี่ยมันจะมาเจอหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อสิบปีก่อนยังจำได้ในครั้งแรกที่ถามท่านคำแรกที่ไปถามหลวงพ่อนะ ตอนนั้นหลวงพอ่อมาออาอตมาเข้าไปเป็นช่วงที่หลวงพอ่อท่านส่วนใหญ่จะอยู่อเมริกาท่านมาไม่เยอะในช่วงที่ภาวนาใหม่ๆได้พักใหญ่ๆหลวงพอ่อกลับมาอาตมาไปกราบท่านแล้วก็ถามท่านคําแรกหลวงพอ่อสายหลวงพอ่อเทียนมีฤทธิ์ไหมครับ <laughs> มันได้ถามเรื่องอื่นเลยนะสงสัยนะ มันยังหายสงสัยกับวิญาณหนึ่งเราไม่รู้จะเข้าหาครูบาอาจารย์ยังไงไม่รู้จะไปถามอะไรไม่รู้จะไปสนทนาแบบไหนเลยถามท่านว่าหลวงพ่อสายลลวงพเทียนมีฤทธิ์ไหมท่านก็ยืนยันเลยมีแต่เราจะไม่สนใจไปของข้างท า, างม า, าแล้วท่านก็สอนอีกล้ายคำจำไม่ได้หรอกว่าอะไรแต่ตอนท้ายท่านพูดเรื่องหนึ่งท่านพูดว่า พวกเราภาวนามาทำไมภาวนาไม่ค่อยตื่นกันเลยภาวนาแล้วมันไม่ค่อยตื่นมหาหันกลับไปใช้เวตนาเยอะๆนะสัมผัสรู้กับเวทนาเยอะๆแต่ตอนนั้นนักธรมไม่เข้าใจเลยนะยังไม่เข้าใจว่ามันอะไรเพราะว่าเราชินกับการ อาตมาในตอนนั้นชินกับการบังคับตอนภาวนาใหม่ๆอาตมาชินกับการบังคับให้มันอยู่ให้มันรู้เลยฟังประเด็นหลวงพ่อไม่ออกอีกหลายปีต่อมาหลวงพ่อมาหากลับมาที่ฉมาอวที่ตอนนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะเป็นแนวปัญญาแนวปัญญาหมายถึงว่าคนรุ่นใหม่ๆจะ เราจะบอกให้ทําอย่างเดียวในแบบเดิมๆไม่ได้เมนูเดิมเหมือนเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วก็ทําตัวเดียวเลยทาอย่างเดียวแล้วก็ใช้ความเพียรเยอะๆในรุ่นใหม่ๆมันจําเป็นต้องจําแนกแจกแจงค่อนข้างเยอะต้องจําแนกแจกแจงให้เข้าใจว่าแต่และอย่างแต่และแบบที่ทํามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างช่วงหลังที่หลวงพ่อกลับมาจากอเมริกาจะมาได้ยินอีกคำหนึง่ง ที่มันเป็นคีย์เวิร์ดในแต่ละช่วงเวลานะหลวงพ่อมหาท่านสอนในแต่ละช่วงเวลาจะไม่ค่อยเหมือนกันคีย์เวิร์ดแต่ละช่วงจะไม่ค่อยเหมือนกันท่านจะปรับปรุงปรับหลักสูตรไปเรื่อยๆมาในช่วงหลังๆได้ยินหลวงพ่อท่านพูดเรื่องพวกเราทําไปนานๆอย่าเพลินนะถ้าใครเคยเข้าค้นหลวงพ่อในช่วงแรกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดคเนี้ยนันทิราค่ะอย่าทําไปด้วยความเพลิดเพลินยกมือไปเรื่อยๆนานๆเกินไปแล้วก็เพลิน เพลินอยู่กับรู้สึกตัวเพลินอยู่กับการยกมือคำนี้จะได้ยินหลวงพ่อท่านพูดบ่อยในช่วงแรกแรกช่วงหลังๆต้นเลยปรับกระบวนการหลายๆเรากระบวนการมาสู่การใช้เวทนาปรับกระบวนการมาสู่กันที่เราได้ยินวันแรกว่าเก็บอารมณ์สิบห้านาทียางเงี้ยคือท่านพยายามจะให้ปรับทุกสามนาทีก็ขยับมอแก้ปัญหาที่เราากยาวเกินไปเคลื่อนไหว ใช่มันก็ลากยาวคีย์เวิร์ดหลังสุดที่ได้ยินอันี้ไล่เป็นสเต็ปนะคีย์เวิร์ดหลังสุดที่ได้ยินแล้วพ่อเน้นเรื่องสัมปชัญญะมากวิชาที่เราพ่อค่อยๆเลี้ยบเรี่ยงเลียบเปรี่ยงมานี่สุดท้ายมาจบที่สัมปชัญญะหลายๆวันที่เราพูดกันในช่วงบ่ายในช่วงเช้าจะมีการเน้นเรื่องคําว่าสัมปชัญญะมากถ้าเราได้ยินของอกลุ่ม ทั้งด้านตาเขาขยายแล้วสาธยายเรื่องนี้ไว้ละเอียดดีในกระบวนการไปหลวงพ่อที่ค่อยๆขยับค่อยๆนั่งดูเวทนาสามนาทีขยับกวาดใบไม้อย่างเนี้ยกวาดใบไม้แล้วก็ทบทวนในกระบวนการทั้งหลายล่างหลังเราพอน้นเรื่องสัมปชัญญะเราพ่อพูดเรื่องสติน้อย ทำไมไมันคืออะไรเอาแมาว่าเรื่องนี้นะถ้าเราจะสืบสารถ้าเราปฏิบัติบูชาเราควรทําความเข้าใจเรื่องนี้นะว่าหลวงพ่อทิ้งปม อ, อะไรเอาไว้ควรมาแกะดูเหมือนกันนะว่าหลวงพ่อเห็นอะไรหลวงพ่อทิ้งปม อ, อะไรไว้วันนั้นเราคุยกันเรื่องสัมปชัญญะเราตะเกดท่านถามขึ้นว่าอ้าว ถ้าแบบนั้นมันเป็นการคิดไหมแล้วแบบที่หลวงตะเกดท่านสอนแบบ เ, เดิมๆรู้สึกตัวตัวเดียวรู้และทิ้งไม่ต้องคิดงั้นมันก็ผิดนะสิอาจารย์ศศดาท่านสรุปให้ชัดเจนมันไม่ผิดมันถูกคนละแบบแต่มันเป็นเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นอัปเกรด <laughs> อันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดหลังๆเมื่ออาจารยหลว ง, งพ่อท่านอัปเกรดวิชาเดิมๆขึ้นมาก จำวิชาเดิมใช่ไหมสายเราก็เทียนลงประเทียนเท่าที่ได้ยินแรกๆเลยนะไล่ลําดับความเข้าใจเราเพืเทียนมาจากติ่งนิ่งเคลื่อนไหวช้าๆแล้จะบังคับมันด้วยสติกับสมาธิสมรรคกิปัจจนาควบคู่กันเราเพืเทียนแกะเรื่องการบอกมันออกที่เป็นคําบริกรรมออกแต่การเคลื่อนไหวยังอยู่เหมือนเดิม แรกที่ท่านเข้าใจธรรมะในท่านมาสอนที่บ้านบโหงาแ ร, ก, รกท่านสอนช้ามากสอนช้าแล้วปรากฏว่าคนทางบ้านบุหงตัวแข็งหมดเลย <c oughs> หลังจากนั้นหลวงพ่อเทียนก็เลยเ อ, อ้อนั้นขยับให้มันไวขึ้นตั้งหลังท่านถึงก่ก็ค่อยๆขยับให้มันไวขึ้นให้เป็นธรรมชาติขึ้นนี่แสดงว่าหลวงพ่อเทียนเองก็ปรับหลักสูตรเรื่อยๆตามกระบวนการสอน ครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆที่เรียนรู้มาจากหลวงพ่อเทียมก็ปรับกระบวนการต่อมาจนถึงหลวงพ่อมาหาวันนั้นอาจารย์ศักดาทั้งสรุปว่าในยุคก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องสติและสัมปัชชัญญะเพียงบางตัวเท่านั้นอาตมาก็ไม่เคยไปแยกเหมือนกันนะว่าสัมปัชัญญามีกี่อย่างหลวงพ่อได้แยกเอาไว้สี่อย่าง ในตัวสัมปชัญญะนะตอนนี้ฟังในเชิงหลักการก่อนนะเดีย๋ยวค่อยๆไล่อารมณ์ค่อยๆไล่ว่ามันคืออาการไหนตัวแรกมันชื่อว่าสาระฐานสา ร, ฐาสาระฐานสัมปชัญญะสาระฐานคือเป้าหมายการมีสติอย่างมีเป้าหมายในการเรียนรู้โคจระคือตัวที่สองคือเป็นไปในกายในจิตเรา ตัวที่สามคือสัพยาคือความเบิกบานทำมันต้องเบาง่ายเบิกบานตัวที่สี่คือสัมโมหะสัมโมหะคือความตื่นรู้มันเป็นอาการตื่นตื่นขึ้นจากอารมณ์สี่ตัวเนี่ยสําคัญแต่ว่าชั้นเดิมมันมีเพียงสารถถะถ้าด้วยซ้ำ ม, มังนี่เป้าหมายในการเรียนรู้คือเมื่อก่อนเราจะเคลื่อนไหวมือก็ให้มันอยู่กับมือใช่ไหม มีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวเราก็จะให้มีสติเท่านั้นพอเผลอไปคิดเราก็จะให้กลับมามีสติอยู่กับตรงนี้แต่เราไม่ปล่อยให้จิตเรียนรู้เวอร์ชันเดิมนะเวอร์ชันเดิมจะพยายามมีสติเผลอก็กลับมามีสติมีสติมีสติมีสติไว้อาการมันคล้ายแบบนี้เมื่อกี้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วเมื่อก่อนมันจะเหมือนเราเอามือไปจับไว้แล้วก็เคาะ เอามือจับไว้ถ้ายุคใหม่เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้นี่คือสติที่ไม่เป็นสัมปชัญญะแต่ถ้าสติและสัมปชัญญะตัวไหนคือสติการกระทบตรงนี้คือสติสัมปชัญญะคือ อาการคลางของละครเล่าภาวนาเนี่ยที่ทําทั้งหมดเนี่ยเราใช้ไอ้ตัวเนี่ยเราใช้ไอ้เสียงคลางเนี่ยเสียงคลางเนี่ยในจิตเรามันมีลักษณะเรียนรู้เมื่อเช้าเมื่อวานท่านอาจารย์นั้นบอกไอ้จิตมันเรียนรู้อาการสัมปัญญะคือหน้าที่ของสัมปัญญะธรรมชาติตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะ มันคือการเรียนรู้ตัวเองของจิตเราแต่ถ้าเราฝึกแต่สติแต่ไม่ให้จิตเรียนรู้ไม่ให้เรียนรู้กายไม่ให้เรียนรู้ความคิดที่เผลอไม่ให้เรียนรู้อะไรเลยรู้แต่ว่าเผลอแล้วก็กลับมามีสติขคะใหม่เคาะใหม่แต่อันนี้ไปจิ้มมันไว้จิตก็ไม่เกิดปัญญาเพราะมันไม่ได้เรียนรู้อะไรในช่วงหลังเราพ่อมหาจึงเน้นเรื่องนี้ จึงเน้นเรื่องการให้มีสัมปชัญญะเอาสัมปชัญญะมาเรียนรู้ตามความเป็นจริงนี่คือประเด็นหนึ่งที่เราภาวนาที่เราฟังมาเยอะๆนี่กาแต่มาว่าภาพหนึ่งนะที่พวกเราควรขยายวงขึ้นคุยกับท่านอาจารย์มหาอาคมท่านเก่งเรื่องพระไตรปิฎกมากท่านให้แง่คิดน่าสนใจเรื่องหนึ่งว่าสายร้องพเทียนเราถ้าจะให้มันก้าวขึ้นอีกระดับหนึ่ง เราควรพูดในเชิงที่เป็นหลักการบ้างหลักการที่อ้างอิงตามพระไตรปิฎกตามภาพเหมือนเหมือนสติปัฏฐานสายลวงพเทียนเราเป็นหนึ่งในหมวดของสติปัฏฐานใช่ไหมจะทายังไงที่เราจะขยายภาพให้คนเข้าใจบทภาพจิ๊กซอ่ท้งภาพถ้าเราพูดแต่ประสบการณ์พูดแต่อารมณ์ภาวนาหรือว่าพูดแต่การเคลื่อนไหวแบบรลงพ่อเทียนอย่างเดียว บางทีมันดูคับแค่เกิดใปซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่อาตมาได้สนทนากับท่านในเรื่องนี้มันมีอยู่ในวิมุตติสูตรวิมุตติสูตรพูดถึงเรื่องการเข้าถึงทำห้าอย่างการเข้าถึงทำห้าอย่างอย่างที่หนึ่ง การได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมต่อหน้าอย่างพระอัญญาโกฏัญญะที่ได้ฟังได้เจ้าเรือกแสดงเรื่องอธรรมจักธรรมจักกับปวัฒนสูตรอย่างเงี้ยพอได้ยินได้ฟังพุทธเจ้าด้วยความที่ภาษามันเป็นภาษาเดียวกันภาษาธรรมะทั้งหลายสติสมาธิอุเบกขานิพพานอะไรทั้งหลายที่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นภาษาพื้นฐาน ไม่ใช่ภาษาเฉพาะของพุทธศาสนานะพุทธเจ้าไม่ได้ผลิตขึ้นเป็นภาษาที่ทุกคนก็รู้พอฟังพุทธเจ้าใจจะค่อยๆน้อมเดินกระบวนการแยกเนะ้สภาวะความเป็นธรรมชาติทั้งหลายตามที่พุทธเจ้าแสดงใจค่ อ, คอยๆน้อมเดินกระบวนการตามพอจิตเข้าใจถ่ายถอนตนัณหาอุปทานเข้าตึงธรรมได้อย่างที่สองเราเป็นคนแสดงธรรมนั้น ทำของพระพุทธเจ้าเพราะในยุคเราหมดแล้วข้อหนึ่งนี้เราไม่มีโอกาสอย่างที่สองคือการแสดงธรรมแสดงหัวข้อธรรมตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ในขณะที่กําลังแสดงในขณะที่กำลั ง, ง, ท, ลงทำอยู่ให้คนอื่นฟังใจก็ค่อยๆพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปพิจารณาไปจิตค่ อ, คอยๆเดินกัะบวการตามนั้นตามนั้นปัญญาเกิดได้อันนี้ยังพอมีเหลือยังพอมีเหลือในคนที่จิตไปสมาธิตั้งมั่นได้ดี ทรงทำอย่าดีต่อเลยเรามาเข้าใจว่าพวกภาวนาเนี่ยมันต้องเหลือแต่กระบวนการท้ายๆจะไปดูพวกที่อย่างที่สามอย่างที่สามจะจะตรงกับพวกนี้อย่างหลวงพ่อพุถะ ธ, ธาตุคือนั่งจำแนกแจกแจงสาธยายอย่างการสวดมนต์อย่างอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสเข้าถึงธรรมนะมีโอกาสเข้าถึงธรรมได้เรานั่งสวดมนต์ไปใจเป็นสมาธิ อุปทานในขันห้าเป็นตัวทุก์มันอาจจะแจ้งว่าขึ้นมาก็ได้ถ้าใจเราเห็นตามนั้นแต่ส่วนใหญ่ที่เราสวดมนต์หรือว่าสาจยายสิ่งเหล่านี้แล้วเราไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาจึงเป็นที่มาของคีงรอมพตทธาตแปลออกมาเป็นภาษาไทยในงั้นภาษาเหล่านั้นเราไม่ชินเพรเราไม่ขินใจเราก็น้อมตามรับรับรู้ในสภาวะเหล่านั้นไม่ได้พราะรับรู้ในสภาวะเหล่านั้นไม่ได้ใจเราก็ไม่น้อม อย่างที่สามอย่างที่สี่คือการสาตยายอย่างที่สามสาตยาอย่างที่4ยยี่ยย 4. คือการตรึกคิดวิเคราะห์เหมือนกระบวนการหลวงพระพุทธธาตเหมือนพวกสายหลวงพระพุทธทาตหรือสายของพวกพุโทโธสายที่เข้าสมาธิอันนี้จะใช้สมาธิค่อนข้างสูงพอใช้สมาธิแล้วก็ตั้งหัวข้อธรรมขึ้นมาเราเคยได้ยินพระป่าท่านเทศกันใช่ไหม พอสมาธิเราถอนออกมาขึ้นสู่วิปัสสนาใช้กระบวนการนี้ใช้กระบวนการของการขบคิดธรรมะจนจิตมันน้อมไปตามนั้นเห็นจริงดำนั้นแต่แบบนี้ต้องใช้กําลังสมาธิสูงนะใช้กําลังสมาธิสูงและจิตก็ขี้คลายได้อย่างที่ห้าการภาวนาตามลําดับนี่คือสิ่งที่พวกเราทําสิ่งที่พวกเราภาวนาในการภาวนาตามลําดับเนี่ยตามขั้นตอน ค่อยๆค่อยๆจิตค่อยๆดําเนินเหมือนที่พวกเราทําถ้าทําได้ตามถูกตามกระบวนการก็จะค่อยๆเข้าถึงเมืทีละส่วนละส่วนอันนี้พระสูตรในโดยหลักการอันนี้ที่น่าที่ต้องพูดถึงเพราะว่าส่วนใหญ่เราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจว่ามันต้องภาวนาแบบนั้นเท่านั้น แบบนี้เท่านั้นเราก็จะรู้สึกว่ามันต้องเจริญสติเท่านั้นคนที่คิดเอาไม่ได้เราจะรู้สึกแบบนั้นสายอื่นไปนั่งรับตาเข้าไม่ถึงหรอกดูเหมือนเราจะรู้จริงนะเจ้จริงเราไปขัดแย้งกับพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านแยกแยะไว้แล้วว่ามันได้มันทําได้สิ่งที่พวกเราทําในกระบวนการอายุพวกเรามันเป็น เหลืออันที่สามที่สี่ที่ห้าสามสี่ห้าสวดสาทยายซึ่งก็น้อยอย่างที่สี่คือการตรึกการใช้กำลังสมาธิสู ง, สงอย่างที่ห้านี่แหละที่พวกเราทำภาวนาไปตามลำดับทีนี้ในอย่างที่ห้ามันแยกแยะหน้อีกเยอะมากเพื่อให้เข้าใจภาพเข้าใจว่าทำไมคนนั้นยกมือสายงานคืออะไร สายงานแต่ละสายงานหนอคืออะไรการเคลื่อนไหวคืออะไรการดูจิตคืออะไรการภาวนาในแบบอื่นๆคืออะไรอีกหน่อยนะมันจะมีวิธีการที่ครบาอาจารย์ในยุคล่างหลังท่านก็พยายามที่จะหาวิธีการเข้ามาใหม่ๆ ห, หมดยุคพวกเราไปก็จะมีวิธีการใหม่ๆโผล่ขึ้นมาอีกแต่ด้านสาระมันเป็นเรื่องเดิมมันก็ยังเข้าถึงได้เหมือนเดิม ในวิธีการอย่างที่ห้าคือการประเพณตามลําดับเนี่ยเอาเฉพาะสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานจะมีอยู่สองสามอย่างในสติปัฏฐานทั้งหบดเลยนะไม่ใช่มีแต่การแค่จเจริญสติแบบเราอย่างที่หนึ่งมันทําได้ในแบบสร้างธรรมชาติรู้ขึ้นมาได้ตรงๆเลยเท่าที่เราฟังนะสร้างธรรมชาติรู้ขึ้นมาบังคับด้วย ต้นแรกกัตมาก็พอลุกจะบังคับมาได้เพราะเข้าใจลวงภาวน า, าก็ตมาคิดว่าการบังคับไม่น่าจะเป็นธรรมชาติที่มันถูกได้พอไปฟังเยอะๆพออ่านเยอะๆ เ, เข้ามันได้นี่หว่ามันได้นะเคลื่อนไหวให้ใจมาอยู่กับการเคลื่อนการไหวแบบหนอแบบหนอช้าหนอเคลื่อนหนอคิดหนอขยับหนอนี่คือบังคับใจให้มีสติ เหมือนการเคลื่อนไหวหมันกันบางคนเอาใจแนบกับการเคลื่อนไหวเลยนะบังคับให้จิตมันมีสติอยู่กับตรงนี้แต่พวกที่ทำได้แบบนี้เราประเทียนเราพ่อคำเขียนพวกที่มีสมาธิ่้งสูงอย่างโยมพิคุลเป็นต้นเวลาฟังโยมพิคุลเนี่ยโยมพิคุลจะพูดเรื่องนี้แบบนี้ชัดเจนมากแต่คนที่ทำได้ มีโ อ, อกาสประมาณในบรรดาคนอาจริงเอาจังทั้งหลายจะถูกสักคนหนึ่งที่เอาตัวรอดอัตราหนึ่งต่อร้อยนะที่จะถูกเพราะว่ามันจิตต้องมีสมาธิและอุเบกขาเป็นฐานระดับหนึ่งแล้วจิตมันจะต่อตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาเรื่อยๆทรงสมาธิแล้วก็ค่อยแกะออกเป็นกลางขึ้นไปเรื่อยๆตลอดสายได้ในการเคลื่อนไหวแบบพวกเรานะคือแบบนี้ หนึ่งคือสร้างมันขึ้นมาเลยจนจิตมันค่อยๆมีสติละเอียดขึ้นลําดับตามลาดับสมาธิแล้วเบิกขาค่อยๆดุลไปเรื่อยๆจิตมีความตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเป็นกลางขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆหลุดจากการบังคับมาเป็นธรรมาชาติรู้ที่รู้ตรงๆรู้ตรงๆได้ขึ้นเรื่อยๆโอกาสสูงโอกาสที่จะถูกมีน้อยโอกาสสูงที่จะผิดที่จะกลายเป็นบังคับเพ่งจ้องที่เราติด บาทีเราภาวนามาสิบปียีสบปีถ้าเร า, าถ้าเราวางใจแบบเนี้ยให้ใจแนบอยู่กับการเคลื่อนการไหวแบบเนี้ยซึ่งนี่เป็นวัชชั่นเก่านี่เป็นวัชชันเก่าที่พูดถึงพงระล ombo เทียนท่านก็ภาวนาแบบนี้ท่านก็เลยสอนแบบช้บาๆบังคับให้ใจมีสติขึ้นมาอันนี้เป็นวัชชันเก่าที่ในยุคนี้รู้สึกเหมือนคนทําได้จะค่อนข้างร้อยนี่เป็นวัชชันเก่านะถ้าเดินได้แบบนี้ การวางใจแบบที่สองคือการวางใจแบบที่สองวันก่อนอาจารย์ พ, พูดเมื่อเช้าหวานอาจารย์พูดตามรู้แก่ตามพยั ญ, ญชน ะ, เ ป, ะเป๊ะเลยนะในพยั ญ, ญชนะของสติปัฏฐานเขาจะพูดเรื่องอนุสติอนุอนแปลว่าภายหลังทีหลังการวางใจแบบนี้ไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นหลักการของมันนะเราไม่สร้างอะไรขึ้นเราไม่บังคับให้อะไรเป็นอะไร เราแค่ขึ้ื่อนแค่ไหวตัวเนี้ยถ้าระวางใจแบบเอาใจมาพยายามเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ถูกกับลั ก, การนี้ถ้าเราเอาใจมาบังคับให้อยู่กับมือกับเท้านะ่ะอันนี้จะไม่ถูกถ้าโยมฟังคําของครูบาอาจารย์ยุคแรกๆเขาจะสอนแบบให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวแต่ท่านในยุคล่างๆจะไม่ค่อยได้ยินคําที่มันจะไม่ได้ยินการวางอารมณ์ในแบบนี้แต่จะเป็นว่า เวลามันเคลื่อนมันไหวเขาแค่รู้ทีหลังความต่างกันนะเรื่องการวางอารมณ์มือเคลื่อนให้มือเคลื่อนอย่างธรรมชาติเวลาเดินเดินให้เป็นธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าเราเผลอให้เรารับรู้แล้วแต่เทคนิคบางคนก็ให้รู้การเคลื่อนไหวรวมๆบางคนก็ให้รู้เวทนาหรือว่ามาหาใช้เวทนาสองวันก่อนกานรพันแนะนาเรื่อง ดูเวทนาที่เกิดอย่างนี้จะไม่ใช่การสร้างอะไรขึ้นแต่เพิ่มความใส่ใจในการให้จิตรับรู้สิ่งที่กาลังเกิดนี่คือสาระหลักของการวางใจนะไปแกะดูดีๆในสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันลงกับการวางใจแบบไหนสองอย่างนี้ถูกทั้งหมดนะแต่โอกาสที่เราตามรู้เนี่ย ตามรู้แบบไม่ต้องไม่ต้องบังคับไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาให้การเคลื่อนไหวเป็นเรื่องที่สองแต่การเห็นว่าจิตมันเคลื่อนเป็นโนเนะกับความคิดโนเนะกับอารมณ์มันไม่ตื่นออกมารู้มันเผลอไปในอารมณ์มนเกิดขึ้นเราก็แค่ขยับแล้วก็ให้ใจมันรับรู้ตามนี่จะเป็นการวางใจในแบบที่สองทีนี้ในแบบอื่นหลักเราจะได้ยินว่า ในแบบวนอื่นที่เขาใช้วิธีการคิดมันคิดได้ไหมในสติปัฏฐานในบทสติปัฏฐา น, นจริงๆนะมันคิดได้สายลมพิเทียนเราจะใช้วิธีการว่าเราไม่ต้องคิดในการภาวนาของเจนสติปัฏฐานมีสองแบบหลักๆสองแบบหลักๆลักที่หนึ่งพอจิตเริ่มมีสมาธิอย่างสติปัฏฐานเขาจะเริ่มใช้ลมหายใจใช่ไหม เริ่มต้นด้วยอาณาปา่าอาณาป่าเป็นพื้นฐานมากของการภาวนาประเด็นเรื่องนี้จะมาใช้เวลานิดหนึ่งนะเพื่อจะให้เข้าใจภาพของการภาวนาทั้งหมดในสติปัฏฐานเมื่อก่อนเขาชินกับการใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจแล้วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิในระดับหนึ่งหลังจากนั้นในบทสติปัฏฐานก็มีกระบวนการของการใช้ความคิดที่เรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ ใช้ความคิดโดยการพิจารณาความจริงจะมีหมวดกายาในหมวดหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องอสุภะว่าด้วยเรื่องร่างกายนั่นเป็นต้นพระป่าท่านใช้กระบวนการนี้อันนี้เรียกว่าปัญญาในหมดคือใช้การคิดพิจารณาด้วยกําลังสมาธิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวยิ่งสมาธิที่เราเข้าไปในลําดับลึกๆลึกๆจิตจะมีความตั้งมั่นเหลืออยู่ในอารมณ์เดียวค่อนข้างสูง พอน้อมเข้าไปพิจารณาต่อความเป็นจริงเนี่ยจิตก็จะเดินกระบวนการต่ำนั้นต่มนั้ น, น, นไปเรื่อยๆแต่กระบวนการคิดนี้ต้องไปจบที่ไตรักจุดปลายทางต้องไปจบที่ไตรักถ้าจิตไม่มีสมาธิจะกลายเป็นฟงซ่านแล้วไปจบที่เรื่องใครภาวนามาใหม่ๆเคยถูกหวยบ้าง <c oughs> ภาวนาเล็กๆส่วนใหญ่นะ ภาวนาไปไปถามกันไปถามกันมาเนี่ยถูกหวยได้ยังแ <c oughs> รกแรกมันจะคิดธรรมะหรอกไ่วันหนึ่งอาตมาขึ้นต้ น, เ, นเดินๆไปคําว่าวิชาโผล่ขึ้นมาบ่ายนั้นทั้งบ่ายอาตมาเขียนตําราได้เล่บมบลเลอเลยจากวิชาคําเดียวมันขยายไปครอบคลุมเกือบทั้งจักรวาลยอ่อลงมาจาทั้งจักรวาลเหลือวิชาตัวเดียวโอ้วันนี้ได้ธรรมะเยอะมากหมดเวลาสี่โมง เดินลงไปอาจารย์กษินกนเดินผ่านพอดีมาหาเป็นไงโอ้ยอาจารย์ผมได้ตาดําราเนี่ยเบลเลอร์เลยอาจารย์ก็เลยหยุดฟังยังไงพอออกมามันหายได้ยังหายไปแล้วครับมาหาเพิ่งได้แค่นี้ยเดินเสียมาทั้งบ่ายอ้าวพอมันไม่มีสมาธิมันกลายฟุ้งซ่านกลายไม่ได้ตั้งมัน่นกลายเป็นสังขารธรรมปรุงแต่งเชฉยนั่นหลยแบบหนึ่งคือใช้กําลังสมาธิแบบที่สอง แบบที่พวกเราทำวัะ น, นั้นมีคนพูดว่าหลวงพ่อมหาท่านพูดเรื่องคนยุคใหม่จะเป็นแบบเจโตวิมุตจะเป็นพวกเจโตญาณมาเกิดเจโตคือแบบพวกเราทำสำคัญตรงนี้ในแบบพวกเราทำเราไม่ใช้การคิดเราไม่ใช้การน้อมอารมณ์อะไรทั้งนั้นเราปลุกเร้าธรรมชาติรู้อันนี้คำของอาจารย์เขมารันทะท่านใช้คำดีมากและตรงสภาวะมาก ในแบบสองอย่างใช่ไหมหนึ่งคือสร้างธรรมชาติรู้สร้างสติขึ้นมาในแบบหนึ่งที่ตมาพูดเมื่อกี้ในแบบที่เราทําตอนนี้ที่ครูบาอาจารย์หลายรูปช่วงหลังให้อารมณ์กับพวกเราเนี่ยคือการปลุกเร้าธรรมชาติรู้ไม่ใช่สร้างธรรมชาติรู้ขึ้นนะการตามรู้เนี่ยเราแค่ปลุกเร้ามันการปลุกเร้าคือการสร้างสติคือการจเจริญสติเนี่ยเราแค่สร้างความคุ้นชิน ให้ธรรมชาติจะนิดหนึ่งที่เราทำนะเขาค่อยๆค่อยๆคิดตามค่อยๆพิจารณาตามสภาวะที่เรากาลังทำสิ่งที่เราทำเราไม่ได้สร้างสติทาทั้งหลายเป็นอนัตตาสร้างขึ้นไม่ได้ในกระบวนการที่สองหลักการมาเจอแบบนี้เราสร้างแก้ความคุ้นชิน ความคุ้นชินให้ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มันมีลักษณะจำได้มีลักษณะเรียนรู้ตัวเองเป็นที่เราทำเรียกว่าเจริญสติเนี่ยการวางใจการเคลื่อนการไหวใช้อารมณ์ปัจจุบันให้จิตมันจำสภาวะนี้ได้ทีละขณะทีละขณะอาการเหมือนกับ หากเขียนตัวหนังสือหากเขียนกอไก่หักเขียนครั้งแรกขนาดมีเส้นปะเรายังลากเส้นยุยี่ยุยๆอ ย, ยู่เลยเราลากบ่อยๆเข้าทีนี้เส้นปะไม่ต้องมีลากบ่อยๆเข้าเขียนเป็นตัวหนังสือได้เลยเราเขียนเป็ยัญชนะได้ครบทีนี้สามารถผลิตคำได้ทุกคำในกระบวนการนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่การพยายามลากให้มันยาวในกระบวนการนี้นะมันจะแค่สร้างความคุ้นชินให้จิตมัน ธรรมชาติรู้ธรรมชาติรับรู้เนี่ย จ, จํำสภาวะได้ทีละขณะมันเอาแค่นั้นรู้เป็นรู้เป็นลูกโซ่คือรู้แบบนี้นี่คือความหมายของการรู้เป็นลูกโซ่รู้ทีละขณะเพราะเราไม่ได้เอารู้ไว้ความรู้ก็เอาไม่ได้ธรรมชาติรู้ก็เอาไว้ไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือสร้างความคุ้นชินเท่านั้นความคุ้นชินให้จิตจําได้ เพราะความคุ้นชินเราณนะขณะ น, นี้ก่อนภาวนาคนทั่วไปความคุ้นชินของเขาคือการเผลอความคุ้นชินตัวแรกของเขาคือเอาวิชาในปฏิจจสมุปบาทเริ่มด้วยเอาวิชานั่นคือความคุ้นชินที่สุดคุ้นชินที่จะเผลอที่จะหลงที่จะจมไปในอารมณ์และความคิดเราก็สร้างความคุ้นชินให้จิตรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดอย่างที่หนึ่งเลยละ่ะ ทีนี้พอเราสร้างความคุ้นชินสัมพัชัญญะคืออาการเรียนรู้อาการเรียนรู้ของจิตตอนนี้เป็นจุดพลาดของพวกเราที่ภาวนานานๆ น, นะเคยภาวนานานๆแล้วมันไม่แจ้งไม่เข้าใจธรรมะมีสติแต่เหมือนไม่เกิดปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้สมาติตะขังให้ดูเมื่อกี้นี่แหละความคุ้นชินหนึ่งของจิตความคุ้นชินตามสัญชาตญาณเดิม คือการเผลอการหลงการจมไปในอารมณ์ใช่ไหมเราจรึงสร้างความคุ้มฉินให้ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งธรรมชาติที่รับรู้สิ่งที่กําลังเกิดได้ธรรมชาตินั้นเรียกว่าสติธรรมชาติที่เราใช้งานจริงกลับไม่ใช่สติค่อยๆฟังนะถ้าฟังไม่ดีจะหาว่าอาตมาไปล้มกระบวนการที่เขาพูดเรื่องสติเรื่องอะไรเยอะๆ สิ่งที่เราใช้จริงๆเป็นสัมปชัญญะคืออาการเรียนรู้ของจิตเราเหมือนตรงนี้เวลาเคลื่อนเวลากระทบการที่กระทบเกิดขึ้นจิตรับรู้อันนั้นคือสติแต่การรับรู้และเรียนรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นทั้งหมดผ่านกายผ่านใจผ่านการกระทบอาการเวทนามีความรู้สึกอย่างไรใ น, นขณะที่การเคลื่อนไหวความคิดการเผลอก็เกิดขึ้นนั่นเป็นอาการของสัมปชัญญะ เราใช้สิน่นี้มันอุปมาได้หลายอย่างอุปมาเหมือนจุดเทียนไฟที่เผาไหม้อันนั้นคือสติแสงสว่างที่เกิดขึ้นคือสัมปทัญญะเราต้องการใช้ตัวนี้ในสัมปทัญญะตัวที่อาตมาแยกอาตมาแยกมันตอนแรกมีสี่ตัวตามอาการสติสัมปชัญญะถูกสร้างขึ้นโดยตรงไม่ได้ สัมปชัญญะเกิดต่อจากสติเท่านั้นคือการที่จิตมันจําได้ว่าตอนเนี้ยกายใจกําลังเป็นอะไรเมื่อเรารูปเนี่ยจิตมันรับรู้ใช่ไหมมันรับรู้ที่การรูปมันรับรู้ภาษาได้จิตเนี่ยสติสัมปชัญญะคือการเรียนรู้หนึ่งที่เรารูปหนึ่งขณะอะโยมลองรูปดูจิตมันจําได้ว่านี่กําลังเกิดขึ้นปัจจุบันนี่คือสติแต่พอเรารูปหนึ่งครั้ง ภาษาที่เกิดทั้งหมดไม่เหมือนกันอาการเรียนรู้นี้คือสัมปชัญญะนี่เป็นอาการของสัมปชัญญะตามกับตอนที่เราภาวนาถ้าเราภาวนาผิดเราจะให้จะให้ใจมาอยู่กับกายนิ่งๆแล้วไม่ให้มันเรียนรู้อะไรเราจึงมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะยุคร่้งหลั ง, ลงเราพ่อมหาจึงแก้เรื่องนี้เหมือนเราสร้างสร้างสติสร้างจุดรวย บอกแม่กำนันอยู่เรื่องหนึ่งแม่กำนันสร้างสติจนจ้เปลี่ยนเป็นที่นาแม่กำนันมีนาเป็นพันไร่แล้วแต่ก็ปล่อยให้หญ้าลกอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมไถไม่ยอมหวานไม่ยอมลงปลูกกล้าสทัทีมันมีแต่สติเกินไปแต่เราไม่ให้จิตเรียนรู้ถ้าเราบังคับจิตมากเกินไปกลายเป็นกดเก่งเพ่งจ้องอึดอัดติดอารมณ์ฟากนี้ไปเลยเพรที่กดเก่งเพ่งจ้องอึดอัดเนี่ย แก้ไม่ยากหรอกปล่อยมันทิ้งให้สติมันทํางานให้สัมปจญญะมันทํางานแค่นั้นจิตก็จะเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายได้โดยหลักการแค่นี้ตัวสัมปัญญะนี่สังเกตดูนะถ้าเราภาวนาถ้าสติและสัมปัญญะมันทํางานจริงๆน่ะถ้าเราภาวนาถูกทางจริงๆนะมันจะมีอาการที่มันรับรู้อย่างมีเป้าหมายอย่างมันชินกับการรับรู้เวทนาเบื้องต้นนะ ถ้าเราจินกับ ก, การรับรู้เวทนาที่ฝาา่าเท้าหรือหากการเคลื่อนไหวของกายเวลาบันได้สติขึ้นมามันจะสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวนั้นๆที่เป็นเป้าหมายในการรับรู้เรียนรู้ของมันรับรู้กายบางคนรับรู้จิตเวลาจิตคิดเวลาจิตรู้สึกโทรศ์เกิดขึ้นก็จะชัดกว่าบางคนชินกับการที่มีเป้าหมายอยู่กับกายอะไรกําลังเกิดขึ้นผ่านกาย จิตก็จะรับรู้กายได้ชัดกว่าบางทีก็เป็นลมหายใจบางทีก็เป็นกระพริบตาบางทีเป็นทั้งหมดเลยนี่คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนของจิตว่ามันจะรับรู้อะไรแต่มันจะต้องเป็นอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มันล่วงไปแล้วนี่คือคำที่ท่านอาจารย์พูดปัจจุบันเท่านั้นก่อนไม่เอาหลังไม่เอานี่คือสาระ คนจรคือมันไม่ล่วงไปจากกายจากใจไม่ใช่ไปรับรู้ต้นไม้ข้างนอกเหมือนเรามองลูกการรับรู้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ที่ตาอยู่ที่การมองอยู่ที่การรับรู้ที่เราโคลจระโคลจระมันติ็นไปได้ทั่วอาจจะไม่ได้อยู่ที่มืออาจจะไม่ได้อยู่ที่ตาอาจจะไม่ได้อยู่ที่หูอยู่ที่ผัสสะไหนก็ได้ในกาย ในก็ทั้งใจที่กำลังไหววูบความคิดที่เกิดขึ้นความอึดอัดที่เกิดขึ้นจิตรับรู้สิ่งเหล่านั้นได้วนไปวนมาอย่างเนี้ยไม่ลืมถ้าลืมแสดงว่าขาดสติพอขาดสติก็กลับมาจิตมันจําได้ว่าเวลาเราขยับกายหน่อยนึงเนี้ยโยงเคยเป็นไหมหลักภาวนานานๆเดินๆไปเผลอคิดลืมหมดเลยดูอยูย่มันจําได้วูบขึ้นมาอ้าวเมื่อกี้เราเผลอ นั่นแหละสติและสัมปะชะยะทำงานอย่างบริบูรณ์แล้วนั่นคือรู้ซิซิรู้แบบปกติบริบูรณ์แล้วนี่อาการนั้นก็รู้สึกตัวการภาวนานที่ถูกต้องสังเกตุได้เลยว่ามันจะต้องมีอาการตื่นรู้ตื่นเบิกบานอาการตื่นอาการเบริกบานอาการสัมปายะสัมปายะคือความง่ายๆเบาๆโลง่งๆปกติธรรมดาธรรมดาเนี่แต่ถ้ารู้แล้วปื๊ดอั เพ่งจ้องรู้น่ะไม่สบายแสดงว่าเราวางใจไม่ถูกในสัมปชัญญะถ้าสัมปชัญญะเหล่านี้ไม่ถูกการเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายอย่างตรงไปตรงมาก็จะไม่เกิดขึ้นตัวที่สี่คือสัมโมหะอสัมโมหะคืออาการรู้ตื่นเบิกบานคือการตื่นขึ้นเห็นความคิดไม่ได้จมไปในความคิดหลวงพ่อกาเพียนจะพูดว่าเป็นคนอเป็นคนดูไม่ใช่เป็นคนเป็นมันคืออสัมโมหะ อสัมโมหสัมปชัญญะความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราโกรธความโกรธเป็นเพียงอาการการเคลื่อนไหวของกายเป็นเพียงอาการเคลื่อนไหวของกายไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะมันจะตื่นจากอารมณ์นั้นตื่นจากอาการนั้นแล้วธรรมชาติทั้งหลายจะเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่จิตจะมีกระบวนการเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านั้น มันครบถ้วนบริบูรณ์นะมันจะเป็นอาการนี้เพราะฉะนั้นเราภาวนาไปต้องสังเกตดูว่าที่เราสร้างสติเนี่ยมันเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายที่กำลังเป็นไปอย่างจริงตามตรงตามจริงไหมต้องค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้แล้วทำไมเคยแยกมันไว้สามอย่างเคยแยกมันไว้สามขั้นตอนในการภาวนาแบบนี้นะในกระบวนการตามรู้ขั้นที่หนึ่ง สร้างเหตุเกิดให้ธรรมาชาติเรียนรู้อันนี้ยให้ได้สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปจะคนปกติไม่เคยภาวนาเลยเนะ่ะเราเพิ่มแค่สิ่งเดียวเพิ่มการใส่ใจให้จิตกลับมารับรู้อย่างมีเป้าหมายบางคนใช้การยังสายเราใช้การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของกายให้จิตมันกลับมารู้รับรู้การเคลื่อนไหวของกายกับใจที่มันเผลอไปคิด รเคลื่อนไหวของกายอยู่ดีๆจิตเผลอคิดวูบ ก, ก็หนูใช้สองเหตุลงสายลบะะเทียนเราเนะ่ะเราจะมีวัฏกรรมเรื่องสายลบเทียนเราเร็วมากภาวนาได้เร็วที่สุดจริงๆอาตมา ก, ก็ไม่อยากให้ใช้คํานี้เท่าไหร่เ <c oughs> พราะว่ามันเหมือนเราไปขี้โกงวิชาพระพุทธเจ้าเหมือนเอาดีใส่ตัวมากไปมันไม่ตรงตามสภาวะจริงหรอก บางทีภาวนาสายลบะเทียนยี่สิบปีไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่สายไม่ได้อยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่ความเข้าใจสายลบะเทียนถ้าพูดได้ตรงสภาวะนะและยุติธรรมทั้งหมดนะสายลบะเทียนใช้สองเหตุเป็นเครื่องปลุกธรรมชาติรู้มันจริงถีและบ่อยมากเราได้เปรียบตรงนี้ เราใช้การเคลื่อนไหวของกายซึ่งกายมันมีอยู่อย่างนี้แล้วเกิดตลอดกับสิ่งที่จิตคุ้นชินที่สุดการเผลอไปคิดใช่ไหมสิ่งที่คุ้นชินที่สุดของจิตคือเผลอไปกับความคิดเผลอไปกับอารมณ์เราใช้สองสิ่งนี้เป็นเครื่องให้จิตจำสภาวะได้มันเลยถีมากถ้าผู้เรยยังยุติธรรมคือแบบนี้ในงั้นก็จะไปเกิดการรับข้ามสายพันกันอยู่เรื่อย จริงมันไม่ถูกยิ่งภาวนายิ่งไปรับกันแบบนั้นไม่ถูกไม่มีสายไหนดีที่สุดถ้ามันลงไปด้วยวิชาพุทธเจ้ามันครบถ้วนบริบูรณ์หมดแล้ววิชาพุทธเจ้าน่ะเราแค่หยิบออกมาแค่บางส่วนเท่านั้นมันก็เพียงพออย่างทําถูกนะอย่างเข้าใจแล้วทําถูกแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วทําไม่ถูกไม่ว่าสายไหนพาเราเข้าลบเข้าป่าหมดเละไม่ว่าวิธีการไหนถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเข้าลบเข้าป่าหมด จะเดินมาจากทางไหนถหล่มป่าแล้วก็หลงป่าเหมือนกันหมดไม่ว่าจะใช้แผนที่จะแผนที่ไหนแกแผนที่ไม่ออกหลงป่าเหมือนเดิมเราจะมาเคยแยกมันไว้สามอย่างอย่างที่หนึ่งคือสร้างเหตุให้ธรรมชาติรู้คือใส่ใจที่จะบอกให้จิตมันกลับมารับรู้อ้าวเมื่อกี้เผลอนะเผลอไปกความคิดให้ขยับหน่อยวิธีการนะอันนี้เป็นเทคนิค อ่าพอมันเปิดไปคิดก็แค่ขยับให้กายมันชัดให้กายมันสดชื่นขึ้นเพราะว่าเวลาเราเผยต้องยอมลองสังเกตูนะเวลาเราไปทุดดงเวลาเราไปเดินจงกรมเวลาเรายกมือเนี่ยพอเราเผอมือมันก็จะเคลื่อนแบบปกติมากเลยแต่มันเคลื่อนแบบเพลินอย่างหนึ่งเลยเวลาเผอเวลาเดินถ้าเราเดินปล่อยมือเนี่ยเวลาเราเผอมือจะเริ่มไควยสังเกตไหมล่ะหรือถ้าเราเดิน เดินตามปกติเวลาเผลอเท้ามันจะตึมตึมตึมมันจะเคลื่อนไหวเมื่ตอนที่เราไม่ได้ภาวนานั่นแหละกลายจะเป็นตัวสะท้อนมากว่าตอนเนี้มันรู้สึกตัวไหมสังเกตกายมันก็จะเห็นนี่เป็นเทคนิคพอเราเห็นว่าเราเผลอเผลอไปคิดเผลอกับอารมณ์อีกคำหนึ่งนะอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวไปความเข้าใจเฉพาะตัวนะไม่เกี่ยวกับคําที่เขาพูดเก่าเราจะพยายามดึงจิตกลับมารู้สึกตัว ไอ้ น, นี่เป็นจุดหนึ่งที่คนเก่าพลาดโดยส่วนตัวนะอาตมาเคยไปนั่งแก่งอารมณ์เหล่านี้อาตมาเห็นว่ามันเป็นความผิดพลาดในกระบวนการแบบสองกระบวนการแบบแรกไม่ผิดกระบวนการแบบที่บังคับให้จิตมีสติเยอะๆไว้ก่อนแบบนั้นไม่ผิดทําแบบนั้นจะถูกในกระบวนการนั้นแต่ถ้าเราคนเก่าใช้ในการบังคับให้จิตมีสติไม่ได้แล้วเราใช้การตามรู้เนี่ยเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราเผลอแล้วเราพยายามบังคับให้จิตมาอยู่กับกายเมื่อไหร่ นั่นคือความผิดพลาดเพราะอะไรเราใช้การตามรู้พอเห็นว่าเผลอนั่นคือการมีสติสังเกตดูว่าเวลาเราเผลอเราไดิดขึ้นได้ว่าเผลอกายใจเบามากมันจะเบามากแล้วอะไรกำลังปรากฏผ่านกายก็ชัดสัมปชัญญาครุฑไหม กายใจชัดวนไปในกายในใจสบายเบาโล่งและตื่นจากอารมณ์เมื่อกี้นี้ครบไหมสติสมัชัญญักครบบริบูรณ์เราใช้การตามแต่เมื่อเราดึงให้จิตมาอยู่กับกายเพราะเราดึงให้จิตมาอยกู่กายมันเกิดการบังคับซึ่งเป็นเพียงความคุ้นชินหนึ่งของตัณหาและอุปาทานเท่านั้น เราทำไปตามสัญชาตญาณของตัวตันหารและอุปทานไม่ใช่การปยายามมีสติสติเกิดเราไม่เท่าทันสัญชาตญาณจิตเผลอสองแบบแบบที่หนึ่งคือเผลอจมไปในอารมณ์ในความคิดในความรู้สึกอย่างที่สองมันเผลอไปบังคับตัวเองตลอดเวลาจิตเรานะความคุ้นชินหนึ่งมันจะบังคับอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลา มันจะพยายามให้จิตเป็นบางเรื่องทําบางสิ่งตลอดเวลานี่เป็นความคุ้นชินของตัวตัณหาอุปทานและเป็นความคุ้นชินแรกของอุปทานของเราทําไมตรงนี้จึงสําคัญตรงนี้สําคัญตรงที่ว่าสภาวะที่จิตมันพยายามเคลื่อนตัวไปถ้าเราบังคับเจตนาไอ้นี่จะบังมาชั้นที่หนึ่งการที่จิตเราสังเกตดูนะพอไอ้ตัวเบาๆลงโลกง่ายๆเกิดขึ้นเนี่ย วูบเดียวน้ำหนักเบาโลงอีกหนึ่งขณะต่อมาน้ำหนักเบาๆลงโลกหายทันทีกลายเป็นความรู้สึกตัวแบบที่เราสร้างขึ้นเนี่ยปรากฏที่แทนมันปรากฏที่แทนทันทีการที่ไอความรู้สึกตัวแบบนี้ปรากฏขึ้นเนี่ยเบื้องหลังของมันเป็นเพียงความคุ้นชินเท่านั้นความคุ้นชินที่จะเคลื่อนตัวเองเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลาย เรื่องหน้าที่สุดที่มันชินที่สุดเราชินกับการบังคับให้จิตรู้สึกตัวมันก็เลยเคลื่อนเข้ามาไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนเข้ามาบังอะไรมันบังสัมภชัญญะทั้งสี่ตัวมันจึงกลายเป็นว่าเราเคลื่อนไหวมีสติเราก็บังคับให้มีสติต่อมันก็จะมีแต่สติเนี่กลายเป็นว่าชั้นแรกบังคับให้มีสติเยอะๆแต่ไม่เกิดการเรียนรู้ ถ้าจิตไม่เกิดการเรียนรู้เราสร้างสติไปทำไมเราสร้างสติไปทำไมเราจุดเทียมทำไมแต่เอาฝาไปค้อบจะเป็นอาการนั้นจะเป็นอาการที่ธรามะตีละครแล้วนิ้วจิ้มไว้เราจะทำแบบนั้นต่อธรรมชาติแล้วเราสร้างสติทำไมทําไมให้จิตเรียนรู้ใช่ไหมปัญญาจิตเกิดจากการที่จิตเรียนรู้ตัวเองนะปัญญาจิตเกิดจากการที่จิตเรียนรู้ ตอนนี้กำลังเป็นอะไรจิตเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมาอันนี้ในพระสูตรมีกล่าวไว้ว่าปัญญาของจิตจะเกิดทัศนะความบริสุทธิ์ของจิตจะเกิดได้ด้วยเหตุสีอย่างหนึ่งเห็นการเกิดการดับผ่านผัสสะอายตนะหลายวันก่อนเราสวดเรื่องอตาเห็นรูปเห็นสังโยชน์คือเรื่องนี้ตาเห็นรูป เวลาความชอบไม่ชอบใจเกิดขึ้นโผล่วูบเราจะเห็นเห็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นถ้าสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอย่างบริบูรณ์และเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายกายกําลังปรากฏเวทนาที่กําลังปรากฏหลวงพ่อมหาใช้เทคนิคนี้เวทนาเกิดขึ้นอา้าวดูที่มันหนากมันหนักมันเบาขยับนิดนึงดูใจว่ามันขยับขยื่อนเป็นอะไรหลวงพ่อมหากําลังขยับกระบวนการสัมปชัญญะคือกระบวนการที่ให้จิตเรียนรู้ ผ่านเวทนาแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือไตรลักษณ์อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเวลาความคิดเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นใจเคลื่อนเข้าไปทําอะไรต่อสิ่งเหล่านั้นคือเห็นอุปทานในขันห้าเวทนาเกิดขึ้นความรอึดานการเคลื่อนเกิดขึ้นจังหวะต่อมาใจเราจะผลัก อาการที่ไม่ชอบออกยมลองสังเกตดูความง่วงเวลาเรานั่งยกมือเวลามันง่วงนี่ความอึดอัดจากความง่วงเป็นตัวหนึ่งใจเราที่พยายามดิ้นหล่นหนีไออาการเหล่านั้น <c oughs> เป็นอีกอาการหนึ่งนี่คืออย่างที่สองในพวกที่ทำภาวนามานานๆ น, นะแล้วเวลามันกดเก่งเพ่งจ้องมานานๆเนี่ยพอมันเผลอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นวาบเนี่ยมันจะเป็นาการเบาโลภ ความรู้สึกตัวตามความคุ้นขินเข้าไปบังคับต่อน้ำหนักมันจะผิดเพี้ยนตัวเนี้ยเราจะเห็นการที่จิตเคลื่อนไปยุ่งกับธรรมาชาติทั้งหลายตัวเนี้ยนี่คืออุปทานในขนันธ์้าเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นก็แค่เห็นเห็นว่ามันเกิดขึ้นมันก็หายไปโดยธรรมาชาติตัวนี้จําที่เรามาเทียนพูดได้ไหมเรามาเทียนพูดโอ้เช้าแล้วเรามาเทียนพูดเรื่องวันที่สองที่ท่านเดินจงกรม ท่านเห็นตะขาบใช่ไหมทุกคนจำได้นะตะขาบวิ่งผ่านหน้าหลวงเทียนเห็นสัญญาผัวรูปขึ้นมาเลยท่านเคยแพ้ท่านไม่ถันความคิดก็ได้ปรมาจารยบาอาจารย์นะแต่ตามกระบวนการคือเช่นนั้นท่านไม่ถันความคิดท่านก็ไปขวาเทียนไปวิ่งสองหาเพราะหาไม่เจอท่านก็อ้าปล่อยมันเอาเทียนมาวางทีนี้จิตเราก็คล้ายๆกัน คนเรามีสติเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราไปเดินจะ ก, กงดีๆไอ้เรื่องเมื่อกี้ก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเรื่องที่คิดเมื่อกี้นะมันยังโผล่กลับขึ้นมาอีกเราเก็่เทนแค่แบบเดียวกันนั่นแหละจิตจะคิดภาพรูบมันเห็นความคิดภาพวูบเห็นจิตที่ไหวรูปต่อสิ่งเหล่านั้นทั้งเห็นอาการที่จิตเคลื่อนนิดเดียวอะสิ่งเหล่านี้เกินธรรมชาติเราจะเห็นความเกินธรรมชาติคือตัวที่สองเนี่ยความตัวที่สองเนี่ยเราจะเห็นว่า ภาษาอายตนะเวทนาความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเราในนั้นแต่ใจที่ไปหลองรับอาตาาเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากอุปทานในการห้าเราจะเห็นตัวเนี้ทถ้ายิ่งเราคมยิ่งเราชาัดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นความโกรธกิเลสตัณหาเกิดขึ้นทั้งหมดสึ่งเหล่านั้นล้วนเป็นธรรมชาติหมดเลยแต่ใจเราที่เคลื่อนวูบเดียวนิดเดียวเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติเหล่านั้น มันจะเห็นตรงนี้ไหวมากเพราะเห็นตัวนี้ไววๆนะใจเราจะเป็นกลางต่อธรรมชาติไหวจิตจะเป็นธรรมชาติมากนี่คือกระบวนการของมันตัวที่สามคือมาเห็นเห็นมหาพุทธรูปสี่คือเห็นกายเห็นองค์ประกอบของกายโดยเป็นหลักๆเห็นดินธาตุดินน้ำลมไฟเป็นหลักอย่างที่สี่คือเห็น ภาพหลมรวมว่าธรรมชาติทั้งหลายเคลื่อนตัวอยู่แบบนั้นสลายไปอยู่แบบนั้นเห็นการเกิดดับของภายนอกภายในทั้งธรรมชาติรอบตัวของสิ่งต่างๆในสี่อย่างเมื่อจิตเห็นความเป็นไปอยู่อย่างนั้นเกิดผลคืออะไรเห็นยังตรงไปตรงมานะอ่ะตรงนี้มีมีคำหนึ่งที่อาตมาสังเกตว่าพวกเราเข้าใจไม่ถูกหลายคนเข้าใจไม่ถูกเมื่อเมื่อวานท่านอาจารย์พูดเรื่องเห็นอย่างไม่เป็นศัตรูหมอพันทิพูดคําว่าพอแล้ว จะมีคําว่าพอแล้วใครเคยฟังของอาจารย์ท่านอะไรนะโพสีสุริยะท่านจะพูดคำหนึ่งนะคาที่เป็นโลโก้ท่านมันไหมอยู่แล้วไม่ต้องไม่ตัง้งมันไหมอยู่แล้วมันมีจริงไว้มีจริงนะสภาวะนั้นมีจริงด้วยแต่ท่านพูดถึงกระบวนการของสภาวะนั้นเลยแต่ท่านไม่พูดกระบวนการเข้าไปว่าทํายังไงที่จะไปสู่จุดนั้นเพราะตอนเนี้เรามันมันไม่ใช่ไหมไงเรามันโดนเผาไหม เราไม่หาวิธีดับก่อนแล้วก็ค่อยเรียนรู้สภาวะมันเป็นสภาวะที่จิตพอดีอ่ะนอกเรื่องหายจ้อยเราจะมาพูดถึงไหนนะอย่างการไม่เป็นศัตรูใจเรานะตอนความว่วงเกิดขึ้นสังเกตดูนะความว่วงเกิดขึ้นความโศกสะเกิดขึ้นใจเราพยายามสู้ลบกับสิ่งเหล่านั้นมาก พยายามให้มันหายพยายามดิ้นหนีตอนเืิองต้นถูกนะแต่คน เ, เก่าๆต้องละเอียดเรื่องนี้ลงบางคนก็จะใช้คาว่าดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาถ้าเราพยายามให้บางสิ่งหายไปนั่นเป็นความนั่นเป็นการกระทำตามแรงของตัณหาและอุปาทานเท่านั้นเหมือนตอนนี้บาคนมารู้สกตัวดีแล้วเท่าทันหมดแล้วแต่อะไรเกิดขึ้นจิตเราจะพยายามพอความคิดเกิดขึ้นจิตก็จะพยายามปักความคิดหนี จะพยายามรู้สึกตัวหนีความคิดจะพยายามอารมณ์เกิดขึ้นเราจะพยายามรู้สึกตัวหนีการเรียนรู้อารมณ์ทายหลวงเทียนมีวาฏกรรมนี่วาฏกรรมเรื่องแมวจับหนูนะแมวจับหนูคือเลี้ยงให้ธรรมชาติเรียนรู้เกิดขึ้นทํางานได้อย่างตรงไปตรงมา ในกระบวนการขั้นที่สองขั้นที่1เด่งที่อาตมาพูดขั้นที่1สร้างธรรมชาติเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างที่2บริหารจัดการให้ธรรมชาติเรียนรู้ตัวเนี้ยเรียนรู้ตัวเองของจิตเนี้ยทำงานได้อย่างเต็มที่มันคือมาตกรรมเรื่องการเลี้ยงแมวให้โตวความคิดอารมณ์สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เหล่านั้นธรรมชาติของท่าสติสัมปชัญญะหรือความจําได้ของจิตเรามันไม่โตพอมันจะถูกสิ่งเหล่านั้นดูดเข้าไป สมาธิจะน้อยสมาธิเบิกฐาน้อยมันก็จะถูกดูดเข้าไปเมื่อเราสร้างให้จิตมันคุ้นชินกับการตื่นรู้สัมผัสรู้อยู่กับกายอยู่กับสิ่งที่มันเกิดกําลังเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยๆความคิดมันเกิดขึ้นมันก็จะหายไปโดยธรรมชาติแต่จิตเราจะไม่มีท่าทีที่พยายามผลักพยายามให้สิ่งเหล่านั้นหายแต่ถ้าเรามีสติแล้วพยายามให้สิ่งต่างๆไม่เกิดแล้อทําพยายามทําให้สิ่งต่างๆหายมันจะไม่ใช่วาทการรมเรื่องแมวจับหนูมันจะกลายเป็นแมวฆ่าหนู ใช่ไหมเราทําแบบไหนเราเลี้ยงแมวให้โตหรือเราเอาแมวไปไล่ตะปบหนูไล่ฆ่าหนูอยู่ภาวานาแล้วไม่ให้มันคิดไม่ให้มันรู้สึกไม่ให้มันอะไรเลยให้มันมีสติอยู่ตรงนี้ความคิดเกิดขึ้นความว่างเกิดขึ้นก็ไม่ยากไปสู้กับสิ่งเหล่านั้นอันนั้นจะตรงกันข้ามมากอันนี้เป็นเรื่องละเอียดขึ้นนะที่คนเก่าเวลาภาวานามาต้องละเอียดยับยั้งแต่สิ่งเหล่านี้ขึ้นถ้ามีสติแต่ธรรมชาติอย่างอื่นโผล่ขึ้นไม่ได้เลยแสดงว่าทําทั้งหลายเป็นอัตตา ทำทั้งหลายจะกลายเป็นอัตตาคือจัดการได้ถ้าทำทั้งหลายเป็นอัตตาการยอมรับในธรรมชาติทั้งหลายของจิตก็ไม่เกิดขึ้นถ้าการยอมรับในธรรมชาติทั้งหลายของจิตไม่เกิดขึ้นแสดงว่าจิตก็ไม่ได้เกิดปัญญารู้เห็นการเกิดการดับของสิ่งต่างๆทั้ง4ตัวที่จรมาไร่มันก็จะไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องตามหลักการคือมันจะไปจัดการธรรมชาติทั้งหลายได้อย่างที่มันต้องการโดยอาศัยเครื่ อ, องมือคือเอสติที่เราสร้าง นั่นไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องกระบวนการที่ถูกต้องคือให้ธรรมชาติรู้มันเกิดขึ้นอย่างที่สองบริหารปัจจัยประกอบการเวลาบุคคลคือบริหารองค์มรกนั่นแหละให้จิตมันพอดีสำหรับการเรียนรู้สัมมาในองค์มรกแปลว่าพอดีแปลว่าสมดุลแปลตามิจั่ชนะมันแปลว่าชอบแต่อัจของมันจริงๆน่มันแปลมันมันหมายถึงให้มันสมดุล สติสัมปชัญญะสมาธิอุเบขาคือการเรียนรู้ตัวเองของจิตความฟงซานเห็นว่าความฟงซานเกิดขึ้นบางทีเราเรีบทําเนี่ยไอ้นี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเรีบเคลื่อนไหวรีบเคลื่อนไหวเนี่ยมันสมดุลไหมนี่มันพอดีไหมเราก็นั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วนี่นั่งอยู่เฉยๆมันก็อยู่ตรงเนี้ยกายใจมันก็อยู่ตรงเนี้ยอ้าวมันเผลอวูบคิดก็ขยับหน่อยจิตก็ตื่นออกมารับรู้แค่นี้ก็สมดุลพอดีแล้ว ถ้าเรากำลังทําอะไรกำลังพยายามเคลื่อนพยายามไหวพยายามให้จิตรู้เห็นไหมว่าไอ้นี่ยคือตัวที่บังความปกติตัวหนึ่งที่อาจามาเน้นย้ําแล้วให้สังเกตคือ <c oughs> เวลาเราเผลอความรู้สึกตัวเบาๆลงล่องปรากฏอีกหนึ่งขณะเป็นความรู้สึกตัวแบบแน่นๆปรากฏ ต, ต, ต่ออามาเน้นให้ดูให้สังเกตตัวนี้เวลาใจเราเคลื่อนไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ทันตัวนี้ตัวนี้สําคัญตรงไหน สำคัญมากๆยิ่งถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วพยายามทามากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นหล่นหลังจิตเราให้เคลื่อนเคลื่อนตลอดการที่จิตเราเคลื่อนไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เป็นความเผลอชนิดหนึ่งเผลอตามความคุ้นชินสิ่งนี้บังพุทธจิตบังอาการปกติบังพุทธจิตบังการตื่นรู้บังจิตเดิมแท้บังสารพัดที่เราจะใช้คําเรียกจุดพอดีอยู่ตรงนี้ อนนี้ฟังดีๆนะจุดพอดีอยู่ตรงนี้จุดพอดีอยู่ตรงนี้เราเจงแล้วว่ามันเกิดจุดพอดีมันอยู่ตรงนี้เราเท่าทันการที่จิตเคลื่อนไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายแล้วจิตหลุดออกจิตมันยอมรับให้ธรรมชาติทั้งหลายเป็นธรรมชาติแต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปจัดการอะไรต่อแต่ไม่ได้จงไปกับสิ่งเหล่านั้นพอสิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วก็ตื่นตัวเองขึ้นมาเป็นอาการของอสัมโมหะตื่นจากอารมณ์เหล่านั้นเป็น เมื่อใดที่เราตื่นจากอารมณ์ที่กําลังเกิดเป็นไม่จมในกระสิ่งเหล่านั้นปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านถ้าจิตทำอาการนั้นเป็นเมื่อไหร่เราจะเข้าใจเกือบทุกเรื่องเราจะเข้าใจช่องทางออกเราจะเข้าใจว่าไอสติที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยสร้างเพื่ออะไรเราจะเข้าใจวงจรปฏิจจสมุปบาทเราจะเข้าใจทุกอย่างจิตพุท ธ, ธะจิตเดิมแท้จิตตั้งมั่นจิตผู้รู้จิตประพัฒสอนความว่าง บางสายเรียกความว่างความเป็นอนัตตาทั้งหลายอยู่ตรงข้ามกับความคุ้นชินของจิตเราความคุ้นชินที่จะเคลื่อนตัวไปทำอะไรบางอยา่างตรงกันข้ามแบบทิศหน้ากับหลังเท่านั้นแหละถ้าเราภาวนาแล้วมันไม่เจอตรงนี้เราก็ไม่เจอความปกติความปกติก่อนที่จะเป็นสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันลากยาวกลับมาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่เรากาลังทา ถ้าเราบังคับมากเกินไปอา้าวเบี้ยวสุดเลยทีนี้ถ้าธรรมชาติเรียนรู้เราสร้างธรรมชาติรู้ให้เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งจิตจําได้ว่าการขยับอย่างนี้ยอา้าวมันต้องกลับมารับรู้สติจําสติในกระบวนการนิพพานาตรงเนี้ยมีหน้าที่จำไม่ได้มีหน้าที่ตัดไม่ได้มีหน้าที่ทําอะไรเลยนะหน้าที่ของสติที่เราสร้างเคลื่อนไหวเนี่ยสติมีหน้าที่จำเขี้นนั้นแหละ สติไม่ใช่ฮีโร่สติไม่ใช่อะไรที่เป็นสิ่งวิเศษพิสดารอะไรหรอกสติมันมีหน้าที่จำจำว่าถ้าเคลื่อนไหมแบบเนี้ยเขาจะเกิดแล้วไปลากเอาส ม, มทัน ญ, ญาคือการเรียนรู้ตัวเองของจิตมาใช้งานแค่นั้นแหละมันจะกลายเป็นว่าาตมาไปล้มล้างวัฒกรรมเขาไม่นด่โดยกระบวนการอะโดยสภาวะมันแค่นั้นแหละมันเพียงแค่จาสภาวะ ที่เราให้มันจำเพื่อที่จะใช้ลูกน้องของตัวสติมีสติไม่มีสัมปชัญญะได้มีสัมปชัญญะโดยไม่มีสติไม่ได้มีเสียงะระฆังโดยที่ไม่ได้เคาะระฆังไม่ได้แต่มีเสียงมีการเคาะระฆังโดยไม่มีเสียงะระฆังได้เราจึงต้องใช้สติ<ม>เพื่ออาศัยสัมปชัญญะคือการเรียนรู้เท่านั้น แต่ถ้าเราสร้าบให้มีสติหรือบังคับให้จิตมีสติหรือผลักดันจิตตัวเองให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนไปบังคับให้มันรู้มากเกินไปจากฉันทะคือความพอใจที่จะให้จิตจำสภาวะนี้มันจะกลายเป็นตัณหาคือความอยากอยากที่จะให้มีสติมากๆอยากที่จะให้จิตอยู่ตรงนี้ซึ่งเรานั้นบดบังทั้งหมดบดบังความพอดีนั่นใดที่ไม่พอดีมรรคไม่เกิดนัรไม่เกิดคือสัมมาไม่เกิดสัมมาไม่เกิด กระบวนการที่สองบริหารให้สัมมาพอดีถ้ามันเรียนรู้สภาวะทั้งหลายอย่างตรงไปตรงมามันเห็นการเกิดการขึ้นตั้งอยู่การดับไปของธรรมชาติทั้งหลายผ่านกายผ่านใจอย่างตรงไปตรงมาปัญญาจะเกิดเป็นสเต็ปที่สามเหตุปัจจัยประกอบสู่ผลหลักการพุทธศาสนาหลักการภาวนาก็หลักการเดียวกันสร้างเหตุบริหารปัจจัยประกอบสู่ผลทาไมเราสร้างเหตุแล้วบริหารปัจจัยประกอบไม่เป็นผลก็ไม่เกิดขึ้น มันอย่ามไม่เกิดการถอนตัณหาแล้วประทานก็ไม่เกิดผลนั่นคือการถอนตัณหาแล้วประทานเราจะสังเกตได้ภาวนาไปบางทีเราเห็นความคิดมากๆเข้าเห็นบ่อยๆเข้าเราจะรู้สึกหน่ายเมื่อกจ ะ, ะนายคุณละอย่างนะเมื่อเป็นโทรศัท์มีอาการพรุ่งออกพุ่งออกอยากหนี้ถ้าเป็นอาการหน่ายมันจะเป็นอาการเศร้าสลดลงพร้อมที่จะวางพร้อมที่จะวางความคิดพร้อมที่จะวางความทุกข์เมื่อความหน่ายเกิดขึ้นจิตจะถอนตัณหาแล้วประทาน แรงผลักในจิตเราเองนี่แหละความโกรธเกิดขึ้นความน่วงเกิดขึ้นจิตเราไม่พยายามไปเป็นศัตรูนะคืออาการนั้นใช่ไหมที่ตะมาบอกเวลาความน่วงเกิดขึ้นจิตเราพยายามไปสู้เอาหัวไปชนใส่กับความน่วงนั้นแต่พอเราภาวนาบันนานี่พอความโกรธเกิดขึ้นดูเหมือนความโกรธจะเบาลงเพราะเราไม่ได้เอาจิตเอาหัวไปสู้กับไอ้สิ่งนั้นมันจะอยู่กันอย่างสานติมากขึ้นสัมติภายในจะเกิดขึ้นเรื่อยๆอาการยอมรับคืออาการของ ที่เป็นผลของการที่จิตเข้าใจใจรับเมื่อมันยอมรับมันก็อยู่กันอย่างสันติเมื่ออยู่กันอย่างสันติธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็หายไปตามธรรมชาติมันก็จะผ่านไปง่ายๆความเบาความง่ายของจิตก็จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆชีวิตก็สารติขึ้นเรื่อยๆจากภายในเนี่ยกระบวนการจะเป็นแบบนี้เพราะปัญญาเกิดมันจะไปถอนตัหาละประทานตัหาแลประธานคือแรงในจิตเราที่ไปผลักธรรมชาติทั้งหลายที่ไม่ชอบให้ออกไปยึดธรรมชาติทั้งหลายที่มันชอบเอาไว้ให้อยู่นาน จิตจะไม่ค่อยทำอาการเหล่านั้นมากขึ้นตัวศาสเกิดขึ้นมันเห็นวูบมันก็ผ่านปล่อยผ่านชิงทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยผ่านมันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายไปโดยธรรมชาติจิตจะชินกับการเห็นอาการทั้งหลายโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นมีอาการหนักอย่างนั้นมีอาการเบาแบบนั้นแล้วก็หายไปอย่างนั้นมากขึ้นเรื่อยๆกระบวนการที่สามจะเกิดขึ้นเพราะกระบวนการที่สองถูกต้องนะ บริหารประจัยประกอบคือให้จิตมันรู้ธรรมชาติทั้งหลายเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายอย่างตรงไปตรงมาส่วนใหญ่เราจะไม่ตรงไปตรงมาอีกอย่างในไอ้คาว่ารู้ซื่อๆนี่พอรู้แล้วมันก็ทำการซื่อๆมันไม่ได้ซื่อจริงนะอย่างนั้นนะมันทำสองอย่างไปแล้วคือทำการรู้แล้วทำการซื่อๆรู้ซื่อๆมันเป็นอาการที่ก็แค่รู้นั่นแหละมันไม่ซื่อก็แค่รู้ว่าบางอ่ซื่อนั่นแหละ การรู้ซื้อๆนี่บางทีมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นตัวผลได้ซ้ํานะเราทําให้มันรู้ซื่อไม่ได้หรอกทาไมจริงไม่ได้เรารู้แล้วเรามักมีตัณหาแล้วประทานอยู่ในนั้นการรู้ซื้อๆคือจิตสัมผัสสภาวะทั้งหลายแล้วจบแค่นั้นน่นะน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำมันหรอกไอ้รู้ซื่อๆนี่แต่เห็นว่าพอมันรู้แล้วจิตมันทําอะไรต่อจากการรู้มันจะกลายเป็นรู้ซื่อได้แต่ถ้าวันอยากไ่ทําให้รู้ซื่อรู้ยังไงก็ไม่ซื่อ ตอบได้ที่เราจะมีตัณหารประธานแต่ยังไม่เท่าทันจิตเราที่เข้าไปยุ่งกับธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเราจะรู้ซื่อไม่ได้หรอกรู้ซื่อืึงเป็นวัฏกรรมที่ถูกต้องนั่นเป็นวาฏกรรมแต่เราจะทําให้มันรู้ซื่อยากทําะไรได้แต่เราเท่าทันอาการไม่ซื่อได้เรียนรู้อาการที่มันรู้แล้วมันทําอะไรต่อรู้แล้วมันยังไงต่อรู้แล้วมันเรียนรู้ธรรมชาติทั้งหลายไหมรู้แล้วก็ปผ่านอุเบกขาความกดเกิดขึ้นก็พยายามมาอยู่กับสติ เห็นไหมว่า <distinction> จิตให้ค่ามันให้ค่าโทรสัพเป็นลบมันให้ค่าสติเป็นบวกในคนละเอียดขึ้นในคนเก่าๆขึ้นที่ภาวนามานานๆสัมผัสสติธรรมชาติได้มากขึ้นสังเกตดูดีๆมันรู้แล้วมันซื่อจริงไหมมันรู้แล้วจิตให้ค่าธรรมชาติตัวไหนเกินตัวไหนไหมถ้าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันกำลังปรากฏอยู่จิตเราให้ค่าธรรมชาติตัวหนึ่งมันก็จะมีคนไปรับผลของสิ่งเหล่านั้น มักจะไม่สมบูรณ์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดนะที่ต้องค่อยๆไล่ในสติที่เราทาเนี่ยโดยจุดเน้นของอาตมาจริงนะอาตมาเน้นเรื่องการทำาให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้ทำให้เป็นอัตโนมัติให้ได้คือทำให้จิตมันทำเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองให้ได้เรื่องต้นเราสร้างเจตนาขึ้นมาให้จิตมารับรู้เวลาเผลอเราก็ขยับใหม่ ให้จิตกลางสภาวะไป ส, สดๆใหม่ๆ ใ, ให้ได้พอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติจิตรับรู้กายรับรู้การเคลื่อนไหวรับรู้การเผลอไปคิดได้อย่างธรรมชาติออกนอกรูปแบบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดจิตกัดมารับรู้ได้ด้วยตัวเองเอ้าวเมื่อกี้ลบเผลอได้ห่อวเข้าทีนี้ถอนเจตนาออกเจตนาที่จะสอนให้จิตเจตนาที่จะดึงให้จิตมารับรู้กายเนี่ย ค่อยๆถอนออกปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติรับรู้อย่างธรรมชาติมากขึ้นถ้ามันเผลอเกินไปกระตุ้นเหมือนขึ้นมาปกลกเร้าให้จิตกลับมารับรู้สัมผัสให้จิตย้ันสภาวะปัจจุบันจะชัดใหม่ถ้ามันรู้แล้วมันแน่นอึดอัดเกินไปจิตพยายามบังคับตัวเองมากเกินไปปล่อยทิ้งไลยคายออกให้จิตมันสู่สมดุลกลางอีกคำหนึ่งที่เร า, าพ่อมหาผูจ้ข้างหลังคือสมดุปลปรับสมดุลให้จิตบไปสู่สมดุลกลางๆให้เป็น พอมันบังคับมากเกินไปปล่อยทิ้งขยายให้จิตมันมีช่องว่างก่อนให้มันกลับมาสสมดุลอย่างกลางมันก็จะเป็นอาการง่ายๆสังเกตดูว่าถ้าเราเผลอมาทางด้านบังคับเนี่ยท่ากรรมฐานเราจะเป็นท่าไปเลยตึมตึมตึมเคลื่อนไหวมันจะเป็นตึมตึมแข็งกลายไม่เป็นธรรมชาติจิตไม่เป็นธรรมชาติผ่อนคลายลงให้เป็นธรรมชาติก่อนเดี๋ยวมันจะเผลอใหม่มันจะวิ่งอยู่อย่างเงี้ยแต่ให้จิตมันเรียนรู้สภาวะเหล่านี้ดีๆ แล้วสติที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติรู้สิ่งทั้งหลายเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเกิดจากเหตุสร้างเหตุบ่อยๆมันก็เกิดได้เหมือนหัดขับรถมันหัดเขียนหนังสือก็จิตมีทักษะในการเรียนรู้ตัวเองแบบเนี้ยแล้วมันจําสภาวะได้ไม่ลืมเมื่อไหร่นะชีวิตเราจะเหมือนถูกไวไหวยเลยหลังจากนั้นเราจะเป็นเศรษฐีแท้จริงเศรษฐีเลือกสวนไล่นามีคนทำํำไล่ทํานาแทนเราเลยด้วย จิตจะมีาการเรียนรู้ uh. ตัวเองไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะโกรธไม่ว่าเราจะโงโหไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตคือการเรียนรู้ตัวเองของจิตเมื่อมันเรียนรู้ตัวเองของจิตเป็นมันก็จะถอนตันหาวประฐานความหนักความเบาในจิตเราก็จะค่อยๆดุดล่วงไปเรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้หลวงพ่อเทียนพูดเอาไว้ในปริยตบก็มีหล่องรับเรื่องสติธรรมชาติสติอัตโนมัติมีอยู่มีอยู่หลายที่หลวงพ่อเทียนพูดเรื่องนี้เอาไว้ในม้อนหนึ่งที่ en ท่านพูดเรื่องถามตอบหลวงพ่อที่ผ่านม<ะ>ั้ง มี่คนไปถามลเลวก็เถียนว่าหลวงพ่อภาวนาจะถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้ต้นทางลเลวพเถียนตอบว่าทำจนมันมีสัญญาทำจนจิตมันจังได้คือสภาวะที่จิตเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติตรงนี้สาคัญมากไหนก็บาอาจารย์มาเปรียบเทียบว่าทำจนมันถึงบนภูเขาเราเข็นบางอย่างขึ้นไปจนถึงภูเขาแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องลกักเลยมันจะไหลลงนะ่ะ โดยไม่ต้องใช้แพงจนนี้จะเป็นจุดที่สมดุลพอดีระหว่างมัดองค์ที่หนึ่งกับมัดองค์ที่สองเรามาติดจุดมุบาทวงหนึ่งกับวงสองทำจนมันมีสัญญาทำจนจิตมันทําเรื่องนี้ให้ได้เรื่องที่เหลือมันจะเป็นกระบวนการที่เป็นเป็นกำไรอย่ในชีวิตเราตัวนี้สําคัญนะเราภาวนากรรมานานๆไปแกะรายละเอียดดีๆเพราะสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อมาหาท่านพยายามเน้นย้ำกคือให้เรามีสมัชัญญะ มีทำมาวิจยัยอาการทำมาวิจยัยหนันคือการแยกแยะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายไม่ใช่ทําไปแค่นั้นถึงเวลามาคอร์สก็มาถึงเวลาที่ไหนมีงานก็ไปแล้วก็ไปนั่งยกมือฟังพาร์เทศรู้สึกดีก็ไปเดินจงกลมแล้วก็กลับบ้านวนไปวนมาอย่างนั้นนั่นคือการทําอย่างไม่มีเป้าหมายกาทํายังไม่มีเป้าหมา ย, ย, มมามายผลมันก็ไม่ได้อย่างแท้จริงได้แค่ระดับหนึ่งพอเข้าใจขึ้นเนาะพอเข้าใจขึ้นไหม ข้าผ้าพวงจรรวมๆจริงๆอัตมาเตรียมตัวไว้เมื่อสองวันที่แล้วข้อมูลมันครบในหัวมากกว่านี้พาเทระท่านหมาก็ไปคิวพาเทระตกลงกันไว้อย่างนั้นผมไม่ไม่ใช่คิวตัวเองโอ้วันนี้ไม่มีคิวเทศแล้วอัตมาก็เลยปล่อยทิ้งหมดเลยในหัวหาเกี้ยงไม่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้เพราะบางอย่างมันเป็นเชิงสมมติเชิงสมมติภาวนาไปบางทีมันต้องจําเอาไว้ในเชิงสมมุ ต, มมติไล่ลําดับกระบวนการดีด ผมไม่ได้ไลก่กระบวนการดีๆก็หายไปได้บ้างบางส่วนแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้เข้าใจนะเข้าใจภาพรวมดีๆเข้าใจภาพรวมของวิชาพุทธเจ้าเข้าใจภาพรวมของวิธีการในแต่ละแบบแล้วรู้ว่าแบบเราอยู่ตรงไหนทําอะไรบ้างในแบบเราไม่ใช่การคิดในแบบเราไม่ใช่การต้องบอกให้จิตว่าอะไรเป็นอะไรในแบบเราแคสร้างธรรมชาติรู้ให้เกิดขึ้นแล้วบริหารจัดการให้ธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองของจิตเนี่ยทํา ง, งานได้เท่านั้นแหละ ชั้นชั้นง่ายๆสามเก้าแต่เราเดินมาสามล้านเก้าวิ่งวนไปวนมาวนไปวนมาเพราะเราเข้าใจกระบวนการไม่ถูกต่อให้เราเข้าใจกระบวนการถูกนะเราก็จะวิ่งไปสามล้านเก้าอาจจะเหลือสักสามแสนเก้าอยู่ดีนั่นแหละทําไมรู้ไหมเพราะความเป็นเราแต่ละคนนั่นแหละที่มันไม่ตรงไปตรงมาที่มันไม่เดินตรงๆความเป็นเราจะพาให้บิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมาเรื่อยๆดังนั้นยิ่งภาวนามากเท่าไหร่เราจะไม่ได้รู้สิ่งอื่น เราจะรู้แต่ความเป็นเราเห็นแต่ความเป็นเราเห็นแต่เราคิดแบบนี้เรารู้สึกแบบนี้อาการแบบนี้คือความเป็นเรามันลงล่องนี้มันเผลอแบบนี้มันกระทาแบบนี้นั่นเลยมันจะค่อยๆเข้าไปสู่เรื่องเหล่านะี้ก็หวังว่าญาญยงทุกคนทุกท่านจะได้เข้าใจในกระบวนการในเส้นทางในภาพรวมของวิธีภาวนาในสิ่งที่ลงข้อมหาท่านเน้นย้ําในช่วงในช่วงหลังๆเน้นย้าเรื่องสัมปทาญยะเน้นย้าเรื่องการไม่เผลอเกินไป เน้นย้ำเรื่องการศึกษาวิจัยในธรรมชาติทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้เข้าใจมันดีๆภาวะนาะให้ถึงจิตพุท ธ, ธะจิตว่างจิตเดิมแท้จิตปกติซึ่งเป็นสภาพเดิมๆของจิตเราทุกคนนั่นเป็นต้นทางที่เราจะเข้าไปสู่ธรรมชาติแท้จริงได้ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงสภาวะนะี้โดยทั่วกันเทิน